พระอาจารย์มันทราบท่านก็รับรองว่าจะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะถึงกำหนดเวลาประชุมเพลิงคุณหนายน้อยหนึ่งวันทั้งได้รับเงินมณแสดงธรรมที่บ้านเจ้าพยามุขมนตรีได้ภาพไปถวายพระไตรหนึงหน่งไตรน้ำมันกาดหนึง่งปีและเงินแปดสบบาทท่านเล่าให้ฟังว่าพระไตรนั้นได้ถวายพระวัดบรมนิวาสน้ำมันกาด ถวายพระมาหาสมบูรณ์ปักใจได้แจกจ่ายแก่ผู้ไม่มีเหลือไวพอดีค่ารถสองคนคือเรากับท่านเมื่อได้พักคนพอสมควรแล้วเจ้าคุณอุบาลีคุณอมม า, าจาร์ก็ให้ท่านกลับขึ้นไปเมืองเหนือเมื่อเดินทางขึ้ดไปพักอยู่ที่วัดสัญญพงศ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะขึ้นรถ ด, ด่วนที่สถานีขนลำโพงได้พบนีงอนี่จำนง ซึ่งจะได้ลงมาในงานชาปนกิจศพคนไยน้อยหรืออย่างไรไม่ทราบเม่โง่เคยเป็นสิทพระจานมัน่นจึงได้รับเป็นโยมอุปถะขณะเดินทางในรถไฟไปตลอดทางเมื่อเดินทางถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดสัญญพงศ์หลายวันแล้วได้ออกไปพักอยู่ในป่าละม o กห้างจากกุติเป็นที่เงียบสงัดอิเพตทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ขัดใจกับพระอาจารย์ท่านก็ได้เอะอะขับไล่ให้นี้ตัวเราเองก็รู้สึกชักมโหูรู้สึกชิวๆอยู่ในใจแต่ก็อดกั้นไว้มิได้สดแสดงความโกรธออกมานั่นคือปฏิบัติท่านมาอย่างไรก็คงทําไปอย่างนั้นก็ได้อยู่กับท่านตลอดมารุ่งขึ้นวันใหม่เดือนนี่จนจะเส้นเดือนได้รับข่าวว่าสิทธ์เขหนึ่งท่าจังหวัดเชียงใหม่ป่วยหนัก พระสองรูปมาติดาทางพระอาจารย์มัน่นแล้วแจ้งข่าวให้ทราบเสร็จแล้วพระสองรูปนั้นก็เดินทางไปจังหวัดพระโขนในสมัยนั้นพระอาจารย์ตันเป็นเจ้าอาธิกรารวัดสัญญพงศ์วัดสัญญพงศ์ญญงนี้เจ้าคุณอุบาลีวัดปรรมนิวาสเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเป็นคนแรกทีจังหวัดอุตรดิตเรากับพระอาจารย์มัน่น ได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ไปพักที่วัดเจดีหลวงลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อไหนเบี้ยวอยู่อำเภอสันกำแพงมีอาการป่วยหนักมากพี่ชายและพี่สะใยได้นําตัวไปให้พระอาจารย์มัน่นรักษาโรคที่ไหนเบียวเป็นนั้นคือโรคจิตในปีนั้นได้อยู่จมลสาที่วัดเจดีหลวงมีประกรมทาน ที่เป็นเพื่อนฝูงพักอยู่ไรยองแต่ต่างคนต่างไปจำพรษาอยู่ตามบานโนนกแม้ตัวเราเองท่านก็ให้ออกไปแต่เราไม่ยอมไปโดยเรียนท่านว่าเราตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติพระอาจารย์จนตลอดภรรษาท่านก็จินยอมตกลงจึงได้อยู่กับท่านปีนั้นตรงกับพศ2475จ้าคุณุบาลีได้มอณาภาพในประานั้น ระหางขับพัรศาได้ตั้งใจปฏิบัติพระอาจารย์และกรรมฐานของตนกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดท่านก็ได้ต ร, รมานสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตอนยินก็ได้คือนไปนั่งสมาธิอยู่บนองค์พระเดีทางจิตเหนือมีพระพุทธรูปใหญ่อองหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ยังคงมีอยู่จกนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลเคยมีพระปรมทาเสด็จมาบ่อยๆ ให้เป็นั่งสมาธิตรงนั้นก็ได้ทำตามท่านบอกทุกอย่างบางวันนื่องจนไม่ได้นอนระหว่างที่พักอยู่ที่ทกุติหลังนี้ในป่าดงกล้วยกุติหลังนี้คุณนายทิดและหลวงยงผู้กำกับการตำรวจเป็นผู้สร้างถวายนายทิเสมีนค์ทางจังหวัดกับภรรยาเธอนางตาได้ปฏิบัติงเสียอาหารพระอาจารย์เป็นอย่างดี ในระหว่างภาษาก็ได้ออกติดตามมิทธะบาทกับท่านเป็นอิสระหว่างเดินมิทธะบาทท่านได้สอกนกรรมฐ า, านเตือนอกเตือนใจอยู่เสมอขอเห็นผู้หญิงสวยสวๆงา ม, งามท่านก็บอกว่ามองดูทีลึกนั่นเป็นอย่างไรสวยไหมดูให้ ด, ดีดูเข้าไปข้างในเมื่อจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนท่านก็คอยสอนเตือนใจทุกวัน ด้วานั้นอายุเพิ่งได้26ปีพันศาห้าก็ลังเป็นหนุ่มท่านก็คอยสอนตักเตือนอยู่เสมอรู้สึกว่าท่านสนใจในตัวเรามากแต่มีที่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวแกเครื่องใช้บริการของเราดีๆใหม่ๆท่านคอยชี้มือบอกให้ยอมให้สักให้ทำลายสีเดิมของดีๆก็ไม่ค่อยยอมให้ใจบางทีก็ขอเอาไปให้คนอื่น ตัวเองก็รู้ไม่ถึงว่าท่านมีความหมายอย่างไรพูกหลายครั้งหลายคนเขา้าเราไม่ทําตามเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวซึ่งเป็นสีขาวก็ให้ยอมให้เป็นสีแก่นขนมถ้าเราทําเฉยไม่อยอมท่านก็ลงมือยอมให้เองชอบผ้ า, าจีวรสบงเก่าๆขาดๆมาปักแล้วก็ให้เราเฉยๆยันหนึ่งเดินออกไปรั บ, บอริญญาศพร้อมกับท่านเดินไปทางสถานีตํารวจ ไม่เดินสวนทางกับหญิงหาบของขายในตลาดแต่ก็ใจดีเหลือเกินไม่ได้เดินออกจากทางบินดาบสำรวมใจนแน่วแน่สำรวมตนเต็มที่ต่อมาอีกวันหนึ่งไม่เดินตามท่านไปบินบาบเราเดินห่างจากท่านนิดหน่อยท่านเดินเร็วแต่เราเดินช้าเห็นท่านเอาทากเตะัเกินขัของตำรวจที่ทิ้งไว้ข้างถนนทั้งเตะไปเตะ ม, มาเราก็นึกในใจว่า ต้องเข้าในทางเสมอพอถึงรั้สถานในตำรวจท่านก็ข้มรงเก็บกางเกงขาตัวนั้ น, น เ, น, เน็บไว้ได้จีบนเราก็แปลกใจว่าของเขาถึงแล้วท่านจะไปทำอะไรกันเมื่อกลับถึงปกติแล้วท่านก็นําอภิพาตไว้ที่ลาวผ้าให่งหนึ่งเราก็ได้ทําการปัดขวาดปูอาสนะเมื่อจัดอาหาเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องปูที่นั่งที่นอนของท่านบางวันท่านก็ดูเอา ว่าทาอะไรไม่เรีบเยบร้อยแต่ไม่ยอมบอกว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจเราก็ต้องพยายามทำให้ถูกใจท่านทุกเวลาถึงข น, นั้นก็ต้องถูกเชี่อวเข็ยอยู่จนตลอดภรรษ า, าตรนนั้นวันหลังไม่เห็นกางเกงขาดตัวนั้นกลายเป็นทุงย่ามและสายและประคดห้อยแขวนอยู่ด้วยกันที่ข้างฟ้าวันหนึ่งทั้นบอกว่าตรงยืงน่นไปนี้แล รับปรากฏอันนี้เอาไปใช้เสียเราลัเอามมองดูม่แต่รอยประลายแห่งของดีๆก็มีอยู่แต่ท่านไม่ยมอมให้ก่อได้ปฏิบัติพระชานนี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีล ะ, ละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่ได้เว่เดินบนพื้นดานทาเสียงดังก็ไม่ได้ เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลากลืนน้ํามีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาจะบตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปู้ที่นั่งที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทาอย่างเป็นผู้มีวิชามิฉะนั้นจะต้องถูกไล่หนีทั้ง ท, งทงงางกลางภาษาถ้าถึงอย่างนั้นก็ต้องอดทนพยายามใช้าาความสังเกตของตน บางวันเมื่อฉันแล้วจะแจงจิตบาทเจ็บจีบโอนผ้าผูนัง่งปูนอนกระโถนขานา้ําหมอนและทุกชิ้นทุกอย่างในห้องของท่านต้องเข้าไปจัดไปก่อนท่านจะเข้าไปข้างในจัดเสร็จแล้วก็จดจําไว้ในใจแล้วรีบกลับออกมาไปอยู่ในห้องของตนซึ่งกั้นด้ไยใบตองเจาะช่องฝาไว้พือมองเห็นบริขารเนี่ยตัวท่านได้ เพิ่มเทิไปในห้องแล้วเห็นท่านมองข้างล่างข้างบนตรวจตาดูบริการของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราต้องคอยมองดูแล้วจดจำเอาไว้ว่นหลังก็ทําใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่เห็นท่านทําเมื่อท่านทำเองท่านทาอย่างไรเราก็จะทําอย่างที่เรามองเห็นพอมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดเสร็จแล้ว ก็กลับเข้าห้องของตนมองลอดช่องฝาสังเกตดูว่าเวลาท่านเข้าไปในห้องเห็นท่านเข้าไปแล้วนั่งนิง่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างบนข้างล่างแล้วก็ไม่จับต้องอะไรอีกเท้าปูนอนก็ไม่กลับเแลยวท่านก็กราบพระไหว้พระสักครู่หนึ่งท่านก็จํำวัดเมื่อเหนเชนีก็ดีใจว่า ไดปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจพระอาจารย์นอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึกหัดจากท่านไปชนเปที่พอใจทุกอย่างแต่ก็เอาอย่างท่านได้อย่างมาก 60% เซ์เท่านั้นต่อมาเมื่อออกพษาแล้วทางวัดบรมนิวาตได้จัดงานเพื่อชาพนกิจศพเจ้าคุณอุปาลี พระผูใหญ่ที่อยูวัดเจดียลวงได้ทยอยมาเพื่อช่วยงานเกือบหมดเจ้าวาดได้มอบให้พระจย์มัน่นเป่าวัดเจดีย์หลวงเมื่อเสร็จงานชาวนากิตจบษษษได้เห็นหนังสือฉบับหนึ่งมีถึงพระจันมัน่นตั้งให้ท่านเป็นอุปชาท่านได้เปิดออกงานมีใจความว่าพระจันมัน่นขอให้ท่านรับเป็นเจา้าวาดวัดเจดีย์หลวงพร้อมทั้งตำแหน่งนอุปชา สั่งให้เจ้เาแก้วนวรัตและชิงใหม่เป็นผู้ดำเนินการขอให้พระจันทร์มั่นทำหน้าที่แทนจเจ้าอาวาสเดิมต่อไปสรุปได้จากความเท่สันอย่างนี้พอท่านได้ทราบเรื่องราวแล้วท่านก็เรียกไปหาแล้วพูดว่าเราต้องออกจากวัดเจดีหลวงไปอยู่ที่อื่นต่อมาเมื่อออกพัรษาแล้วได้สงวันท่านได้สั่งเราให้ไปวิเวก อยู่บนหลังดอยจังหวัดลำพูนซึ่งเคยเป็นที่พักของท่านมาแต่ก่อนได้พักอยู่ที่ทินเขาประมาณส0กว่าวันก่อมาเวลาประมาณบ่ายสามโมงได้ปรากฏเหตุการณ์คล้ายๆกับว่ามีคนมาบอกได้ยินทางหูขณะกาลังเรื่องสมาธิว่าท่านต้องขึ้นไปอยู่บนยอดเขาในาวนันพรุ่งนี้พอต้องขึ้นวันใหม่กอนเดินทางถึงยอดเขาได้ไปพักอยู่ณนะที่แห่งหนึ่ง เป็นวัดรา้างเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันใดที่ตรงกับวันพระมักจะปรากฏมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ผ่านั้นเป็นป่าลึกมีเสือและช้างชุมเดินทางไปคนเดียวกลัวก็กลัวกล้าก็กล้าได้เชื่อมันมีอำนาจทำและพระอาจารย์ไมื่ค้างนอนอยู่สองคืนคืนแรกสงบสบายดี คืนที่สองเวลาประมาณหนึ่งหรือสองนาฬิกาได้มีสัตวาคือเสือมารบกวนคืนนั้นเป็นอันไม่ได้นอนนั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินวนเวียนอยู่ ร, บรอบๆกบรู้สึกว่าตัวแข็งและมันชาสวดมนก็คล่องแคล่วเหมือนน้ําไหลที่ลืม้ก็หนึได้ด้วยอำนาจแห่ ง, งกาลสำลอมจิตได้คิดกลัวนั่งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เวลาสองนาฬิกา ถึงห้านาฬิกาเสือตัวนั้นจึงได้หนีไปร่งขึ้นไี่เดินไปบินบาศในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเพียงสองหลังคาเจ้ า, จาของบ้านออกไปทําสวนทุกข่าวเมื่อพบกับเขาเขาเล่าว่าเมื่อคือนี้มีเสือมา ก, กินบัวเราก็น่ ก, กลัวมากขึ้นในที่สุดเมื่อทาอาหารแล้วไี่เดินทางขึ้นไปบนยอดโดยเมื่อขึ้นไปถึงยอดโดยแล้ว มองลงไปบนล่งงางจะแน้เห็นพระธาตุริพุนชัยจังหวัดํำพูนโดยลูกนี้เขาเรียกกันว่าโดยข้อม่อบนหลังโดยมีบ่อน้ำลึกแห่งหนึง่งยังไม่ถึงมีน้นสาสสะอาดมีเสียนพระพุทธรูปตั้งอยู่รอบปอกเดินลงจากพื้นราบเหยียบหินลึกลงไปประมาณสองเมตรก็ถึงน้ำเขาเล่กันว่า เวลามีคนตกลงไปในบ่อไม่จมน้ําจะดำน้ําก็ดำไม่ได้ถ้าเป็นผู้จริงลงไม่ได้เด็ดขาดพื้นลงไปจะต้องมีอาการชักโดยนี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นดอวที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีปีศาจสำคัญหนึ่งตนอยู่ประจําที่โดยนี้แต่ไม่เันไดเขาไม่รบกวนอะไรเพราะเขารู้จักพระธรรมและพระสงฆ์ วันแรกที่ขึ้นไปถึงยอดดอยพอวันรุ่งขึ้นไม่ได้ฉันอาหารถึงวลากลางคืนเป็นลมตลอดคืนรู้สึกว่าดอยนั้นไหวเหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมจัดแต่จิตดีไม่หวาดกลัวอะไรวันที่สองได้ น, นั่งสมาธิเดินจงกลมอยู่ในบริเวณวิหารเขา่าสถานที่พักตัวนี้อยู่ห่างหมู่บ้านที่จะไปปิณฑบาศประมาณระยะทาง80เ จึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าเราจะไม่ฉันจังคันถ้าไม่มีคนมาส่งถึงที่น่คือวันนั้นรู้สึกว่าปวดท้องมีลมรบกวนแต่ไม่เหมือนมันโกนพอเวลาประมาณห้ามิลิกาเศษใกล้จะสว่างได้ยินเสียงดังฮืดยๆท่าท่ า, าข้างวิหารขังแรกหรือว่าเสือแต่ฟังๆไปคล้ายเสียงคนแต่โดยด้านนั้นชันมาก ก็องจะปีนขึ้นพอปีนขึ้นได้แต่จะปีนลงรับรองว่าลงไม่ได้ถ้าจะนั้นจะมีใครขึ้นมาลุกสงสัยอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าออกจากกฎและว่หารงรอจนสว่างรุ่งอรุณจึงได้ลุกออกจากกฎเดินออกมาข้างนอกวิหารแด่พบหญิงชราคนหนึ่งอายุประมาณจะสิบปีมานั่งปนมือถือข้าวหอไปตอมาหนึ่งห่ขอใส่บาตร พรทั้งถวายยาให้สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นรากไม้อีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกไม้แล้วกล่าวว่าขอให้ท่านใช้ยานี้ฝนกินพร้อมกับอธิษฐานเอาแล้วจะหายปวดท้องขณะนั้นเรากําลังถือเคร่งไม่กล้าพูดกับผู้หญิงหลายคําพอเลิปิจตำบัดแล้ ว, ลวก็ฉันข้าวเห่ายแดงหนึ่งก้อนและยาวสงจินนั้นเสร็จแล้วได้ยัดาสับีที่แก่ จเจ้ก็ลากลับเดินหายไปทางชิ่ตะบนตกของดยอยตาอมาเวลาประมาณบ่ายห้าโมงยินมีคนเือจดหมายของพระอาจารย์มั่นขึ้นไปให้บุญโยต์ดอยในจดหมายนั้นมีใจความว่าให้ท่านรีบเดินทางกลับวัดโดยโ ด, ยดย่วนเพราะผมจะต้องออกเดินทางจากวัดเจดีย์หลวงในตอนเช้าเพราอดถด่วนจะถึงเชียงใหม่ในตอนเย็นพอได้ทราบชะ น, นีก็รีบเดินทางลงจากยอดดอย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 ฉะนั้นต้องรีบติดตามไปทางเชีงตุงโดยด่วนแต่ยังไปไม่ได้เพราะจำได้ว่าท่านเคยสั่งไว้ในระหว่างเข้าพรรษาสองอย่างคือหนึ่งค่านสั่งว่าให้คุณช่วยฉันนะในเรื่องข้อปฏิบัติเพราะฉันมองไม่ค่อยเห็นใครที่จะช่วยได้ตัวเองก็ไม่เคยนึกและไม่สนใจว่าท่านหมายความว่าอยากไรสอง ให้สั่งว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นสถานที่อาศัยวิเวของบรรดานักปราชญ์ในการโกนฉะนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากจังหวัดนี้ให้ท่านไปวิเวกอยู่บนยอดเตายข้อม่อแห่งหนึ่งให้ไปพักวิเวกในถ้ำบ่กทองแห่งหนึ่งและให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้าเชีงดาวอีกแห่งหนึ่งได้พักอยู่ที่วัดเจดีหลวงสองสามวันแล้วก็ออกเดินทางจากวัดเจดีหลวง ไปถึงอำเภอโดยสเกตให้เข้าไปพักในธรรมมืดบ้านเมืองอ่อนท่า น, นี้เป็นถ้ำแปลกน่าอาัศจรรย์บนยอดเขามีพระพุทธรู ป, ปองค์หนึ่งฉันไม่ฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้แต่ครั้งไหนกลางเขามีช่องโอเป็นรูลึกลงไปในพื้นเขาเดินลงไปพบทอนไม้สักทอดเป็นสะพานข้ามหิวเดินตายไปตามทอนไม้สัก จนถึงท่านหินอีกภาคหนึ่งของเหวปรากฏว่ามีดานหินกว้างกวา ง, วางเดินต่อไปอีกสอกผักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างจึงได้จุดไฟแล้วเดินต่อไปอีกไปพบสะพานอีกแห่งหนึ่งใช้ซุงไม้จับทางต้นพาดไปยังกรอนหินอีกก้อนหนึ่งถึงตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มยินเมื่อเดินข้ามสะพานนี้ไปก็ไปถึงดานหินราบเรียบ ควางขวางขณะดูว่าบรรจุคนได้ไม่จำกว่สามพันคนภายในพื้นถ้ำเิ่งคลื่นดูคล้ายน้ำพัดเป็นอรอกได้พบหนอหินอนอหนึ่งเป็นกองแปลกประหลาดมากนอหินนี้โตรประมาณสองอ้อมแขนสูงประมาณาสามาสามศอกหนึ่งคือสีขาวเหมือนปุ๋ยเมฆตั้งตรงพุ่งขึ้นบนเพดานรอบๆนอหินก้อนนี้มีหินเป็นปุ่ม เหมือนปุ่มของติดติกันไปลักษณะที่เป็นปุ่มๆสูงประมาณหนึ่งเซาระหว่างปุ่มลึกและดราเลื่นขาวโพลนสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่อากาศถึกไม่มีแสงสว่างเข้าถึงท่านอาจารย์มั่นเกิดให้พังว่าในพื้นทันั้นมีพญานาคเข้าไปนมัส ก, การท่านบอกว่านอกิจก้อนนี้เป็นพระจดีของพญานาค เลือกอยากจะนอนอยู่สักหนึ่งคืนแต่อากาศถึกรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงไม่กล้าอยู่จึงได้เดินทางกลับออกมาจากถ้านั้นเขาลูกนี้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลเมตรจากบ้านแถบนั้นเล่าว่าเมื่อถึงเวลาขาบรัญาภูเขาลูกนี้ร้องเสียงดังถ้าไปไหนมีเสียงร้องดังมากมีฝนดีทานาทาได้ได้คนมาก ได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเขตอำเภอดาวสะเกตเมื่อได้พักผอนพอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปอยังบ้านโปงได้พบพระพิสุกรูปหนึ่งชื่อเขียนเธออยู่กับพระอาจารย์มัน่นจึงถามท่านบาทราบหรือไม่ว่าพระอาจารย์ไปไหนได้รับตอบบาไม่ทราบจึงชวนพระเขียนเดินทางตุดดง่งไปอำเภอดาสะเกตอีก แ้่ไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใครจากหมู่บ้านมาอยู่ในกลางดงลึกเขาเรียกว่าถ้ำโป่งเทาที่ลึกอย่างนี้เพราะภายในถ้ำนี้มีขี้ทองคำไหลออกมาติดอยู่ในแอ่งน้ำก่อนจะไปถึงถ้ำแห่งนี้ต้องเดินบุกป่าไปประมาณสิบกิโลเมตรสองคนกับทเกิณไดพากันไปวิเวกอยู่ภายในถ้ำนั้น ที่ถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรือกันว่ามีผีดุมากถ้าใครเขไปค้างคืนในถรำขณะนอนหลับอยู่จะมีผู้มาเหยียบขาบ้างเหยียบท้องบ้างเหยียบหลังบ้างทําให้คนกลัวกันมากไม่ได้ยินข่าวโดยอย่างนี้เราจึงต้องการจะพิสูจน์ว่ามีความจริงประการใดจึงได้ไปพักค้างอยู่หนึ่งคืนพระอาจารย์มั่นเคยเล่า ว, ว่าพระพิสุใช้เคยเดินทางไปค้างในถรำนี้หนึ่งคืน ไม่ได้นนตลอดคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินเยียบหินเข้าๆออกๆทั้งคืนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ลึกมากแต่ท่านเคยสั่งให้เราไปทีรถ้นี้ผลของการพิสูจน์ปรากฏว่าไม่ได้พบและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นออกจากถ้ำบกบทองได้ลงมาพักอยู่ณทีอย่างหนึ่งได้พบพระภิสูจน์อีกองค์หนึ่งชื่อเฉยเจงได้ร่วมสนทนากันเป็นที่ถูกอัธยาศัย จึงชวนกันไปเดินธุดงในละแวกอำเภอเราสะเก็ดอีกส่วนพระพิกษุเกียรตได้ลายแยกทางไปพักที่บ้านโป่งตามเดิม่อมาวันหนึง่งระหว่างเดินธุดงกับพระเฉยโยมได้จัดสร้างที่พักให้ในกลางป่าชาอันกว้างใหญ่บริเวณป่าชานี้มีหลุมฝังศพอยู่ทั่วไปเต็มไปด้วยกองฟอนเผาผีมีแต่กระดูกขาพนไปหมดจึงได้พักอยู่กับพระเชย นักบริเวณป่าชานั้นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งโยมท่านนิมนต์พระเฉยไปพักอยู่ณที่อีกแห่งหนึ่งเราต้องพักอยู่คนเดียวที่พักอยู่ห้างกองฟอนเผาพีประมาณสามวารุ่งกันเช้าวันหนึ่งมีโยมถือกล้วยดอกไม้ทุกเตียนมาตั้งแต่ดึกแล้วบอกกับเราว่าจะเอาลูกศิษย์มาถบายก็นึกอุ่นใจว่าต่อไ ป, ปนี้เห็นจะหายกลัว เพราะขนานั้นตัวเองก็รู้สึกกลัวมาหลายวันแล้วนั่งสมาธิจะรู้สึกว่าตัวชาไปหมดวันนั้นพอทันแล้วเวลาสายไม่เห็นชาวบ้านพากันมาหลายคนไม่หามศพคนตายมาด้วยศพนั้นไม่ได้ใส่ลงแต่ใช้ผ้าพันไว้พอเห็นศพก็นึกในใจว่าข้าม น, น, นี้เราแย่จ้าหนีไปเลยก็รู้สึกตายโยมจะอยู่ต่อไปลยก็กลัว นึกขึ้นได้ว่าที่อยู่มาพูดเมื่อวันก่อนว่าจะถวายลูกศิษย์ก็คงเป็นศพศพนี้เองเพอตกบ่ายเวลาประมาณสี่โมงเย็นโยมได้ทำการเผาศพนั้นใกล้ๆที่นอนของเราได้เห็นศพนั้นชัดขณะศพนั้นถูกไฟเผาได้ยกแขนยืดขาขึ้นตัวเหลืองประดุจทากมินเผาหยุดถึงคำตัวขาดไข่บันเอวตัวยังดาอยู่ในกองไฟ พอใกล้เวลาคำ่ำโยมพากันลากลับไปหมดหรือเราอยู่คนเดียวจึงรีบขับเป็นกระต๊อบพาไปท้องทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ออกไปนอกกระต๊อบจนกระทั่งโหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีสัญญากําหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความกลัวอันกระหระหไม่มีแต่จิตยังมีความรู้สึกประจําใจอยู่จนกระทั่งสุภาพอดีถ้าเคยเดินทางกลับมา เมื่อมีเพื่อนเราเค่าคอยๆอุ่นใจปกติท่านิิสุเฉยชอบเทศชอบคุยทำให้เราฟังอยู่ในกระตอ่อเมเสมอๆเราเองและแต่นั่งฟังเฉยๆแต่พอจะจับสำเนียงเสียงพูดได้ว่าทำไม่ได้จริงเหมือนอย่างที่พูดคือครั้งหนึ่งเคยมียมคนหนึ่งมาถามว่าท่านกลัวปีไหมพระพิสุเฉยก็ไม่ตอบออกไปว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่กลับตอบว่า กลัวทำไมคนตายแล้วไม่มีอะไรวัวควายเป็ดไก่เมื่อตายแล้วโยมยังกินได้ท่านชอบพูดอย่างนี้เสมอมาเราได้ยินแล้วก็นึกในใจว่าพระโอตีไม่แสดงความกลัวให้โยมทราบเมื่อก็นั้นเลยวันพรุ่งนี้เราจะต้องทดลองเพื่อนคนนี้ดูว่าจะจริงแค่ไหนพอดีมีโยมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางอำเภอดอาสะเกดมานิมนต์ไป ดังนั้นจึงให้พระภิกษุเฉยอยู่เฝ้าที่พักตัวเราเองเป็นผู้รับนิมนต์เป็นอันว่าตกลงกันธรมนี้เราจึงได้เดินทางไปกับโยมวันรลงขึ้นกลับมาที่พักไม่พบพระภิกษุเฉยได้ความว่านี่คือวันที่เรารับนิมนต์ไปนในหมู่บ้านนั้นมีนคนอดเด็กผู้หญิงที่ตายแล้วคนหนึ่งมาฟังที่ปาชาในเวลาดึกพระภิกษุเฉยเห็นฉะนั้น รีบเก็บกฎเก็บบาปและกีบบอลและเปิดหนีไปในคืนวันนั้นตั้งแต่วันนั้นก็ได้จากกันกับพระพิสุเฉยต่างคนต่างไปคนละทางเราเองได้มุ่งเดินทางกลับไปหาพขะเขียนที่บ้านโปง่งแล้วได้พักอยู่กับพระเกียนเป็นเวลาสามสี่วันต่อจากนั้นได้ออกเดินทางจากบ้านโปง่งผ่านตำบลแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าห้วย อ, อ้อมแคว ไมทรากวัดเก่าผุผูกพระพุทธรูปเก่าๆเมื่อได้ทราบอยงนี้ก็อยากไปดูสถานที่นั้นทั้งระยะนี้รู้จึกว่าเบื่อโจมเบื่อเพื่อนไม่อยากอยู่กับมนุษย์คิดแตอยากจะขึ้นไปอยู่บนยอดโดอยแต่เพียงคนเดียวเมื่อเดินทางไปถึงห้วยอมแกว้วจึงเลิกไม่ยอมชนอาหารทันแต่ใบมาตือและไปกิเลศเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไป บริเวณสถานที่นี้มีห้วยอ้อมวกไปวียนมาเป็นห้วยตื้นๆไม่ลึกแต่สงบเงียบสงัดวิเวกดีมากคมาวันหนึ่งเวลากลางคืนขณะกำลัง น, นั่งสมาธิหลับตายอยู่ในกระท่อมมืดในรู้สึกว่าปรากฏมีแสงสว่างกลมโตกว้างยาวประมาณหนึ่งเมตรครึง่งแสงนั้นพุ่งมาจากยอดเขาสูงและมาจอดอยู่ข้างกระทอ่อมคืนั้นจึงได้นั่งสมาธิอยู่ จนตลอดคืนจนกระทั่งสว่างขาที่นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าลมหายใจหยุดลมไม่ดเดินเงียบสนิทรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่มีอาการง่วงเหงาหหานอนเลื่อมาวันหลังในเคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในเกาะอ้อมเกวเพราะมียมคนหนึ่งได้มีศรัทธาสร้างกระถบงเล็กใ ห, ห้งหนึ่งยกพื้นพอผลพื้นดินฝาปตอง เมือ่อเขาอยู่ในสถานที่นี้แล้วได้ทำความเพียรอย่างเดียวอดนอนชั้นแต่น้อยวันหนึ่งหนึ่งฉันได้ใมาเดือและใบขิ้เล็กสี่กำมือในวันแรกรู้สึกว่าสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่สองเวลาประมาณสามทุ่มหลังจากสวดมนต์เดินจงกมเสร็จแล้วได้ลมตัวลงนอนง่ายปล่อยอารมณ์พักผ่อนตามสบายเลยหลับไป ขณะนอนหลับอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นคพื่อมีหญิงคนหนึ่งรูปด่างอนนุนทูลสวมเสือ้อนุ่งผะาุงใบหน้าขาวรูปด่างสักสวยเขาบอกว่าเขาชื่อนางซีดายังเป็นสาวโสดไม่มีสามีต้องการมาอยู่กับท่านในนิมิตันนั้นรู้สึกว่าเขาต้องการมีสามีจึงได้ถามเขาว่าเธออยู่ที่ไหนเขาตอบว่าอยู่บนยอดเขาสูง บนนั้นมีสถานที่กว้างขวางมีบ้านหลายหลังอยู่สบายดีขอให้ไปเป็นสา ม, มีของเขาแต่เราไม่ยอมเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายอย่างหลายประการแต่เราก็ยังคงยืนกระถ่ายขาเดียวเขาจึงพูดว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสา ม, มีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่เป็นชูกันก็แล้วกันเราก็คงยืนกรานไม่ยอมอีกผลที่สุดเมื่อเห็นว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ดังที่พัฒนาจึงได้ตกลงกันว่าเขาให้เราทั้งสองนับถือเป็นพื้นที่รักใคร่และสนิทสนมกันก็แล้วกันเมื่อได้ทําความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ลาหายไป <S <S ในวันนั้นเวลากลางวันประมาณบ่ายสองโมงเศษได้ไปอาบน้ําที่ห้วยมีขอนใหญ่รมขวางห้วอยู่โยมเล่ให้ฟังว่าห้วยนี้สําคัญนะัก ตรงที่น้ำไหลออกมีเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งแต่เป็นการน่าประหลาดว่าพระเจดีย์องค์นี้บางข่าวคนก็เห็นบางข่าวก็ไม่เห็นได้ฟังโยมเล่าเรื่องแล้วตัวเองไม่สนใจก้อนอับน้ําได้เก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดน้ําให้ร้อนคนเพื่ออาบได้ง่ายอาบเสร็จแล้วไม่ได้เก็บหินออกตอนเย็นพันเดียวนั้นหลังจากได้สวดมนต์ได้เดินจงกรมเสร็จแล้ว เวลาประมาณสามทุมเศษไปรมตัวลงนอนภาวานาไยก็ได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึง่งรู้สึกเหมือนกับมีคนเอามืมาลูบขาทำให้ตัวชาไปถึงบ้านเอวตลอดจนถึงเสียสับเกืเอบหมดความรู้สึกนึกว่าเป็นรมจึงรีบลุกขึ้นทาจิตให้เป็นสมาธิจิจก็สงบแน่นิง่งใสสว่างตัดสินใจว่าเราตายเาต้องยอม ในใจก็นึกแต่ว่าเราเป็นลมเขากินแต่ใบมะเดือ่อและใบขิ้เหกเป็นอาหารพราจิตเข้าที่เบ่งัวอาการที่เสียวชาไปหมดทั่วทั้งร่างกายก็ค่อยคายหายออกตีประดุดก้อนเมฆลอยผ่านแสงอาทิตย์ค า, ายออกไป ท, ทั้งข้างบนข้างล่างจนกระทั่งอาการฉนั้นคล า, ายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือดวงจิตก็กลับเป็นปกติมีแสงสว่าง พุ่งออกจากจิตไปจาะอยู่ที่คออาบน้ํำในลําห้วยว่าให้ไปเก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจเมื่อได้ตื่นเช้านวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปเก็บก้อนหินที่นํามาอุดน้ําไว์ออกหมดเพื่อให้น้ําไหลไปได้ตามปกติพอตอนขําวันนั้นก็ชทบจะมีเหตุการณ์อย่างเดิมปรากฏขึ้นอีกแต่ไม่เศรุ่นแรงมารกระทะแค่ฝากระเทากที่จำบัดอยู่เพียงไหๆ แล้วก็หายเงียบไปจึงได้ล้มตัวลงนอนภาวนาเพรารู้สึกอ่อนเพลียแล้วได้เคลิมหลับไปฝันเห็นภาพภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโ ต, วตวขนาดหมูเดินมาจากจอดน้ำตกเป็นโฟงหางสัตว์ที่เห็นนี้มีขนปกปุยเหมือนหางระรอกหัวเหมือนแพะพากันเดินลงมาตามลำห้วยอย่างมากมายกลายกอง ได้เดินผ่านที่จังหวัดของเราไปก็มาสักครู่หนึ่งก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบปีใส่เสื้อสีครามน่องปะทงสีครามยาวเลยหัวเขาเล็กน้อยในมือถือวัตถุอย่างหนึง่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเขาได้พูดขึ้นว่าเขาเป็นคนประจำอยู่บนยอดน้ำตกเขาต้องออกเดินทางอย่างนี้ไปจนถึงทะเลเสมอเสมอเขาบอกว่าเขาชื่อนางจํา คืนหลังต่อมาก็ได้ทำข่าวมันเป็นภาวนาอย่างเข้มแข็งแต่ไม่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อะขึ้นหลอจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังบ้านโปกงซึ่งเป็นสำนักเก่าของทาจาันมั่นได้พบกับพระภิกษุเขียนจึงได้ปรึกษาหาหรือกันว่าเราทั้งสองคนจะต้องออกติดตามพราจันมั่นให้พบให้ได้เมื่อได้ตกลงกันแล้วก็พากันนั่งลาญาติยมออกเดินทางไปยังถ้เชิงดาว ขึ้นไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพระจานทร์มั่นเคยมาพักแล้วเดินทางต่อไปถึงถ้าเชียงดาวเมื่อวันขึ้นสิบสองค่าเดืนอนสามบำเพ็ญความภาคเพียรภาวนาทั้งเวลากลางวันและกลางคื น, น, นเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำกลางเดือนสามได้ตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเวลากลางคืนประมาณสามทุ่มเศษจิตสงบแน่วแน่ดี ปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยรอบในบริเวณนั้นในขณะนั้นได้กำหนดลมหายใจอันละเอียดเกือบไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจใจเงียบจิตสงบรู้สึกว่าเวลานั้นลมในตัวไม่เดินสงบนิ่งไปเฉยจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งหมดความคิดหายไปอย่างไรไม่ทราบแต่รู้สึกโล่งตรงสว่างสบายใจ เกิดมีอิสระภาพในตัวแนุงับทุกเวทนาได้ทุกอย่างเมื่อก่านไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโม ง, งก็ปรากฏทำบางข้อขึ้นในจิตโดยมีใจความสั้นๆวา่าให้เพ่งดูพิจารณาดูพบชาตตายเกิดอวิชชาว่าเป็นมาอย่างไรได้ปรากฏอิมิจขึ้นเหมือนเรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่าความเกิดเหมือนฟ้าแลบ ความตายก็เหมือนฝาแฝดจึงได้เพ่งพิจารณาต่อไปถึงเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งความตายได้เพ่งพิจารณาถึงคําที่ว่าอาวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อะไรรู้อย่างไรจึงเรียกว่ารู้อวิชชารู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้วิชาได้กบทวนเพ่งพินิษพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบสว่างเมื่อเป็นที่กระจายแจ่มแจ้งแล้ว ก็ได้ออกจากสมาธิดูสิตัวว่าใจเบากายเบาปลอดโรงอิมปกอิ่มใจเป็นอย่างมาก